พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสุดตันตปิฎกทีฆานิกายมหาวักมหาประานสูตรสูตรว่าด้วยข้ออ้างใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนักเรริกุติกุติมีมนดบทำด้วยไม้กลุ่มตั้งอยู่เบื้องหลังในเชตวนารามของอนาถบินทิกะเขรหะบดีใกล้กรุงสาวัตถี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 พระพุทธมารดาพระนามว่าปภาวตีมีอรุณวตินครเป็นราชธานี 3. พระเวสภูพระเวสภูพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในกัปที่31อก่อนหน้ากับปัจจุบันนี้มีพระนามโดยพระโคตว่าโกนทัญญะมีประมาณแห่งอายุหก0มืปี ตัสรูร้ที่โคนไม้สาละมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าโสรณะกับอุตระมีการประชุมสาวกสามครั้งการประชุมสาวกมีภิกษุแปดหมืนรูปครั้งหนึ่งเจ็ดหมืนรูปครั้งหนึ่งหกหมื 60, รูปครั้งหนึ่งล้วนเป็นพระขี่นาศบทั้งสามครั้งมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถาคชื่ออุปสันตะมีพระพุทธบิดาพระนามว่าสุปตีตะ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 มีคู่แห่งอัราสาวกนามว่าวิทุระกับสัญชีวะมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสี่0มืนรูปล้วนเป็นพระขีนาศมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถาคชื่อวุ ธ, ธิชะมีพระพุทธปิดาเป็นปรามนามว่าอาคิทัตตมีพระพุทธมารดาเป็นพรามณีนามว่าวิสาขามีเขมวะวตีนครของพระเจ้าเขมะ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 มีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถาคชื่อสัพพมิตตมีพระพุทธบิดาเป็นพรามณ์นามว่าโรมทัตตะพระพุทธมารดาเป็นพรามณีนามว่าธนาวตีมีพาราณสีนครของพระเจ้ากิงกิจเป็นราชธานี 7. พระโคตมะคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระองค์เองทรงสมภพในสกุลกษัตริย์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 1,250 รูปล้วนเป็นพระขีนาศบมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถาคชื่ออานน์มีพระพุทธบิดาพระนามว่าสุทโธท น, ธนะพระพุทธมารดาพระนามว่ามายามีกระบินลพัฒนครเป็นราชธานีเมื่อตรัสเล่าอย่างนี้แล้วก็เสด็จจากอาสนะเข้าสู่วิหารต่อมาได้ตรัสเล่าประวัติ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 บริหารพระคันสิเดือนพอดีจึงคลอด 10. สสตรีอื่นนั่งหรือนอนคลอดส่วนมารดาพระโพธิสัตว์ยืนคลอด 11. เมื่อประสูตรเทวดารับก่อนมนุษย์รับภายหลัง 12. เมื่อประสูตรจากพระคันยังไม่ทันถึงพื้นเทพบุตรสี่ตนจะรับวางไว้เบื้องหน้าพระมารดา และบอกให้ทราบว่าพระโอรสที่เกิดมีศักย์ใหญ่ 13. เมื่อประสูติพระโพธิสัตว์เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดไม่แปดเปื้อนด้วยคพปะบนทิน 14. เมื่อประสูติจะมีทานน้ําร้อนน้ําเย็นตกลงมาสนานพระกายพระโพธิสัตว์และพระมารดา 15. ทันใดที่ประสูติพระโพธิสัตว์